อนนี้พวกนักปฏิบัติมากันเยอะเครื่องแบบเครื่องแบบของนักปฏิบัติชุดขาวเนี่ยขาวดํานีถ้าเขียวแดงเหลืองนี่อ๋อเหลืองได้อยู่แต่เขียวแดงสีชมพูนีสีไม่ใช่พวกปฏิบัติพวกเที่ยวพวกปฏิบัติก็มีเครื่องแบบ ชุดขาวชุดเหลืองดำขาวถ้าเป็นชุดอื่นก็เพียงแต่มาฟังธรรมมาศึกษาแต่ยังไม่เอาไปปฏิบัติแต่ถ้าเป็นพวกชุดขาวชุดเหลืองชุดดำขาวนี่ เอาเอาไปปฏิบัติอย่างน้อยก็ถือศีลแปดกันถือศีลแปดแล้วก็ภาวนาถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลถ้าศึกษาอย่างเดียวเหมือนกับดูแผนที่ดูแผนที่แต่ไม่ออกเดินทาง ก็ยังไปไม่ถึงไหนก็ไม่ไปไหนอยู่บ้านเปิดแผนที่ดูว่าทางไปเชียงใหม่ไปทางไหนดูเสร็จก็ปิดเก็บแผนที่ไว้แล้วก็ไม่ได้ไปไหน อ, อยู่บ้านเหมือนเดิม อ, อย่างนี้เรียกว่าเรียนให้โกโก้ศึกษาให้โกโก้แล้วก็เอาความรู้มาคุยมาอวดกัน รู้หมดมากแปดอริยสัจสี่บาลมีสิบอภิธรรมธรรมจากกับประวะัตนสูตรมาหาสติประทานสูตรนี่เรียกว่าศึกษาแต่ศึกษาเพื่อเอามาโอเวอทเอามาคุยหรือดีไม่ดีก็ไปสอน เอาไปสอนคนอื่นแต่ไม่สอนตัวเองไม่เอาไม่เอาไปปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวแล้วไปสอนคนอื่นก็เดี๋ยวก็หลงทางด้วยกันทั้งคู่คนสอนก็ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเดี๋ยวเกิดถนนหนทางก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนจากแผนที่ไปเดี๋ยวก็ ไปผิดทางได้แต่ถ้าปฏิบัติจะรู้เวลาไปถึงแผนที่กับถนนมันไม่เหมือนกันนันี่ถนนเส้นนี้เขาปิดแล้วเขาไปเปิดอีกเส้นอย่างเงี้ยก็รู้ถ้าไม่ไปก็ไม่รู้ไม่ออกเดินทางก็ไม่รู้ัน การการศึกษานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่พระนิพพานเดินทางไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้พวกเรานี้มีความทุกข์ตลอดเวลาอัางทีทุกข์ก็ไม่รู้ว่าทุกข์ เพราะว่าเวลาทุกข์ก็ไปทำนู่นทำนี่เพื่อแก้ทุกข์อ่อพอไปทำอะไรนี่ก็แสดงว่าทุกข์แล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วพอต้องไปดูหนังดูละครฟังเพลงแบบกินข น, นมนมเลยไปเที่ยวไปชอปปิง้งอแสดงว่าทุกข์แล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้ว วันนี้มีคนมาเทศแข่งกับเรา <c oughs> <c oughs> ไ ป, ประเทศที่ต้นโพนั่นปะ้องแบ่งเวทีกันอย่ามเทศบนเวทีเดียวกัน ทางสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าทรงแบ่งไว้เป็นสามตอนตอนที่หนึ่งเรียกว่าปริยัติตอนที่สองเรียกว่าปฏิบัติตอนที่สามเรียกว่าปฏิเวทปริยัติก่อนถึงปฏิบัติปฏิบัติแล้วถึงปฏิเวทข้ามขั้นตอนไม่ได้ ไปปฏิบัติโดยไม่มีปรยัติเดี๋ยวก็หลงทางเพราะทางนี้ไม่เคยไปถ้าไม่เรียนไม่ดูแผนที่ไม่ศึกษาทางเดินทางไปเลยก็จะหลงทางเช่นคนนั่งสมาธินั่งแบบไม่รู้ว่านั่งทําอะไรนั่งเพื่ออะไรนั่งอย่างไรคิดว่าใครนี่เขานั่งหลับตาก็นั่งหลับตาเขา พอนั่งหลับตาแล้วก็เห็นหนู่นเห็นนี่โดยคิดว่าเป็นอะไรไปใหญ่ไปเป็นนิพพานเป็นสวรรค์เป็นอะไรไปอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติโดยไม่ได้ปฏิโดยไม่ได้ปริยัติไม่ได้ศึกษาพอเห็นเขาปฏิบัติก็ปฏิบัติเห็นก็เดินจงก็ก็เดินแต่ ร่างกายเดินไปแต่ใจฟุง้งไม่มีอะไรมากํากับใจที่เขาเดินเขาเขามีอะไรมาควบคุมใจด้วยเขาไม่ได้เดินเพื่อออกกาลังกายใช่เขาต้องเดินเพื่อเปลี่ยนอริยาบทเพราะนั่นงานานๆมันก็เมื่อยเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเดินแล้วเมื่อยก็กลับไปนั่งใหม่ เป็นการเปลี่ยนเอเรียบทของร่างกายแต่ผู้ที่ปฏิบัติคือใจนี้ต้องมีอะไรคอยกากับต้องมีสติคอยกากับใจเพราะใจเป็นเหมือนรถยนต์นะต้องมีคนคอยควบคุมบังคับถ้าปล่อยให้มันวิ่งของมันไปเองเดี๋ยวมันก็แหกโค้งตกหลุมตกบอ่อตกลง ตกลงข้างครูหรือไปชนกับรถคันอื่นจิตเนี่ยเป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปถ้าไม่มีคนขับเดี๋ยวก็ไปชนกันไปมีเรื่องมีราวกันไปโกรธไปเกลียดกันออแสดงว่าตอนนั้นไม่มีคนขับไม่มีสติควบคุมใจไปอยาก ไปอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ไม่มีสติแนละ้วพออยากแล้วไม่ได้ก็โกรธนะนี่คือปฏิบัติโดยไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรพอไม่ศึกษาก่อนไม่ปริยัติก่อนปริยัตแล้วถึงจะไปปฏิบัติถึงจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง บางคนปฏิบัติโดยไม่รักไม่มีรักษาศีลเลยไม่มีศีลเลยพอดีเขาไปฟังว่าให้รักษาใจตัวเดียวศีลไม่ต้องรักษาก็ได้ใช่คนที่เขารักษาใจได้เขาไม่ต้องรักษาศีลก็ได้เพราะใจเป็นผู้เราเมื่อศีลถ้าเราควบคุมใจได้เราก็มีศีลโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเราควบคุมใจไม่ได้เออมราก็จะไม่มีศีนเราก็จะทําผิดสีน์โดยไม่รู้สึกตัว<ม>ยิ่งถ้ายังควบคุมใจไม่ได้เนี<ม>่ยก็ต้องใช้สีลเป็นเครื่องควบคุมการกระทําก่อนต้องรักษาศีน่าก่อนรักษาศีน่าให้ได้ก่อน ถ้าศีห้ายังไม่ได้สีแปดมันก็มันก็ยากห้าข้อยังรักษาไม่ได้จะไปรักษาแปดข้อมันก็ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่ต้องดูกำลังของเราว่าเราทำได้มากน้อยเพียงไรถ้ายังรักษาศีไม่ได้ไปปฏิบัติไปนั่งสมาธินี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ นั่งไปก็ไม่ได้ผลนั่งก็นั่งได้เดียวเดียวนั่งไม่ได้นานอันนี้ต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็จะทำแบบผิดๆถูกๆ ทำไปจมันตายก็ไม่ได้ผลบางคนทานก็ไม่อยอมทำศีลก็ไม่รักษาจะเอาแต่วิปัสสนาเอาปัญญาปฏิบัติปัญญาเลยปัญญาก็ไม่ได้เป็นปัญญาเพราะไม่รู้ว่าปัญญามีไว้ทำอะไร ก็มีไว้ให้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นแล้วเห็นอะไรมีดวงตาเห็นทาแล้วเห็นอะไรเห็นเห็นทำไมเห็นเพื่ออะไรไม่รู้หรอเห็นเพื่อฆ่ากิเลสไม่ใช่อะไรไม่ใช่เห็นเฉยๆเห็นแล้วแต่กิเลสยังเต็มหัวใจก็อย่าไปเห็นเลยเห็นแล้วแต่ยังไปชอปปิ้งอยู่ยังไปเที่ยวอยู่ บางคนคิดว่าบรรลุแล้วทำอะไรก็ได้แล้วทีนี้ทำการกระทำต่างๆไม่เป็นกิเลสแล้วเพราะมีดวงตาเห็นทางแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่ชอบปฏิบัติข้ามขั้นตอนออไม่ยอมปฏิบัติทานไม่ยอมทำเสียดายเงิน เอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเสียดายเงินเอาไ่ทาทานแต่เวลาเที่ยวใช้ใ ช, ใช้เงินได้แต่เวลาเอาเงินไปทำทานทำบุญทำไม่ได้อันนี้ก็ถูกกิเลสหลอกนะกิเลสมันหลอกให้เราเอาเงินไปใช้รับใช้กิเลส ความอยากซื้อของต่างๆซื้อของที่ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อเนี่ยเป็นกิเลสทั้งนั้นอะ่ะอยากไปเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากลิ้มรสลองกินอาหารแปลกๆขนมแปลกๆของอ ร, อร่อยต่างๆทั้งๆที่ไม่ใช่เวลาที่จะรับประทาน อันนี้ก็เป็นเรื่องของการรับใช้กิเลสแต่พวกนี้เขาบอกเขามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเขาเห็นแล้วเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ตายก่อนจะตายก็ที่ว่ามันสนุกให้มันพอก่อนเดี๋ยวก็ตายแล้วอันนี้ก็เป็นพวกมีปัญญาเอาเงินเก็บไว้เที่ยว กิดมาแล้วเดี๋ยวต้องแก่เดี๋ยวแก่เจ็บแล้วเวลาแก่เวลาเจ็บไม่ได้เที่ยวยังตอนนี้เที่ยวให้มันเ็มที่เลยหรือเวลาแก่จะได้ไม่ได้เที่ยวหรือเวลาเงินหมดจะไม่ได้เที่ยวไม่ได้ใช้พวกที่ศึกษาทางปัญญาจ ะ, จะรู้ว่าทุกอย่างเป็นตายรักไม่ใช่ของเรา เมื่อไม่ใช่ของเราก็ใช้มันนั้นหมดเลยเก็บไว้ทำไมไปเที่ยวกันไปซื้อข้าวซื้อของกันอันนี้จังเดี๋ยวว่าตายแล้วนนเขาในความบรรลุบรรลุด้วยด้วยปัญญาด้วยความคิดอันนี้แหละเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเข้าใจผิด ไม่รู้ว่ากําลังเอาไปส่งเสริมกิเลสตัณหาตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นตัวที่จะทําให้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่รู้ว่าการปฏิบัติทั้งหมดทําทุกขั้นทุกตอนนี้มีไว้เพื่อฆ่ากิเลสตัณหาไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาไม่ใช่เอาไปรับใช้กิเลสตัณหากิเลสบอเอาเงินไปซื้อไปช้อปปิง้ง เราก็ต้องค่ามันต้องฝืนไม่เอาไม่ซื้อไม่ชอบเอาเงินไปทําบุญเนี่ยถึงจะเรียกว่าทำทานาทาทานเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้ทำทานเพื่อรับใช้กิเลสกิเลสบอกไปเที่ยวเราไม่ไปเอาเงินไปทําบุญมีญาติโยมแม่ลูก พขาอภรษานี้ตอนต้นเขาคิดจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วตอนหลังเปลี่ยนใจเอาเงินนี้เอาเงินที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่มามาถวายเป็นอาหารพระทางพรรษา<ม>นี่แหละวิธีฆ่ากิเลสการใช้เงินทำทานเพื่อฆ่ากิเลสไม่ใช่เอาไว้รับใช้กิเลสเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวเอเที่ยวก่อน เนยเรื่องรับใช้กิเลสนะทำทานได้หรื อ, อยังต้องถานตัวเองมีมีข้อสอบตรงถามเราว่าเราทำทานได้หรื อ, อยังเราเลิกรับใช้กิเลสด้วยการเอาเงินทองใช้ตามที่กิเลสต้องการใช้หรือยังหรือยั ง, ยอยงรับใช้มันอยู่ เห็นรองเท้าสวยๆก็อยากได้เห็นกระเป๋าสวยๆก็อยากได้เดี๋ยวก็มีมือถือรุ่นใหม่ออกมาก็อยากได้รุ่นใหม่อันนี้เป็นการรับใช้กิเลสถ้าไม่รับใช้กิเลสก็ต้องมีเหตุผลถ้าต้องใช้อย่าง ถ้ามันไม่มีอสมมติว่ามือถือเครื่องนี้เสียแล้วไม่มีใช้ก็ต้องซื้อเครื่องใหม่อันนี้ก็ซื้อไปแต่จะซื้อก็ซื้อแบบกิเลส ก, ก็ได้ซื้อแบบไม่กิเลส ก, ก็ได้ถ้าซื้อกิเลส ก, ก็ต้องเอารุ่นใหม่ล่าสุดทั้งที่ความจําเป็นมีเพียงแต่ต้องการที่จะใช้โทรติดต่อกันเท่านั้นถ้าใช้โทรติดต่อกันก็ซื้อแบบธรรมดาไม่ต้องมี อะไรนวดลายมากมายไม่ต้องถ่ายภาพไม่ต้องอะไรเราไม่มีความจาเป็นจะต้องถ่ายภาพซื้อกล้องมาทำไมอันนี้ต้องใช้ด้วยเหตุด้วยผลถึงจะเรียกว่าไม่รับใช้กิเลสแต่ถ้าใช้ด้วยความอยากอยากมีเหมือนคนอื่นคนอื่นเขามีกล้องอย่างนั้นอย่างนี้เขาถ่ายรูปได้อย่างนูน่นอย่างนี้ จะมีเหมือนเขาทั้งที่เราไม่เราไม่มีมันเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่ได้ใช้มันเราก็ไม่เดือดร้อนนถามตัวเราเองก่อนว่าเราเอาเงินมาทําทานเอาเงินที่กิเลสจะเอาไปใช้นี่แย่งเงินจากกิเลสมามาเอามาทมําบุญได้หรือเปล่ า, าถ้ายังแย่งเงินจากกิเลสไม่ได้ก็ยัง ขั้นที่หนึ่งก็ยังไม่ผ่านขั้นทานก็ยังไม่ผ่านถ้าทานไม่ผ่านนี่จะไปรักษาศีลก็ยากรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดเพราะว่ามันจะไม่อยากไปมันอยากจะไปเที่ยวมากกว่า อยากจะไปหาเงินเพื่อจะได้มีเงินมาใช้ซื้อของตามความอยากอันแต่ถ้าเราทําทานเพราะเราไม่ต้องการใช้เงินไปเที่ยวใช้เงินไปให้ของฟุ่มเฟือยต่อไปเราก็ตัดเรื่องการใช้เงินไปได้ไม่ต้องไปหาเงินก็ก็ไม่เดือดร้อนพอมีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอ มีปัจจัยสี่ก็พอเงินทองส่วนใหญ่นี้เราไม่ได้ใช้กับปัจจัยสี่หรอกใช้กับกิเลสตัณหามากกว่าใช้กับปัจจัยสี่นี่ใช้วันละสามร้อยก็พอแล้วเงินเดือนขั้นต่ำงานข้าวงานงานขั้นต่าวันละสามร้อยเขาก็อยู่ได้ แต่มันใช้มากกว่าวันละสาม้อยก็แสดงว่ามันใช้ให้กับกิเลสบางคนใช้วละกี่พันไมร่รู้บางคนใช้เวลากี่หมื่นก็ไมร่รู้อันนี้นะท่านถึงสอนให้เราเอามาทำทานกันเอาเงินที่จะไปรับใช้กิเลสนี้มาทำทานกัน พราะการรับใช้กิเลสก็เท่ากับการรับใช้ค่าศึกษาจูของเราให้มันมาฆ่าเราให้มาสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเรานั่นเอง <c oughs> ความทุกข์ต่างๆของเรานี้ไม่ได้เกิดจากใครหรอกเกิดจากกิเลสตัณหานี่แหละ <c oughs> เวลามันอยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากนี่โอ้ยมันจะออกฤทธิ์นะ <c oughs> มันจะฟาดหางฟาดง่วง มันจะหมดเหยียดฉุนเฉียวเี่ยเราอย่าไปส่งเสริมมันอย่าไปรับใช้มันรับใช้มันแล้วมันจะมีกำลังมากแล้วเวลาที่มันออกฤทธิ์นี่เราจะเดือดร้อนเราต้องพยายามฆ่ามันวิธีฆ่ามันก็คือไม่ไปทําตามที่มันต้องการ จนมันอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบให้มันสู้กับมันสู้กับเวลามันไม่ได้สูบมันจะออกฤิดิ์มันจะมีความรู้สึกหงุดหงิดนำคาญเอ้วป้ายมันหงุดหงิดนำคาญแต่เดี๋ยวก็หายหายแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่กลับมาทำอะไรแล้วอีกทำเราก็ไม่กลัวถ้าเราไม่กลัวความหงุดหงิดกลัวมไม่กลัวความนำคาญใจ สู้กับมันไปสู้กับความหงุดหงิดสู้กับความนำคาญใจปล่อยมันหงุดหงิดไปปล่อยมันนำคาญไปเหมือนเด็กอ่ะเวลามันอยากได้อะไรเราไม่ให้มันมันก็งอไงบางทีมันก็ทำอะไรไม่ดีก็ปล่อยมันทำไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดเองหลัมันก็รู้แล้วว่ามันไม่มีวันที่จะทำตามที่มันอยากทำเราไม่ปล่อยให้มันทา ถ้าตามใจมันเดี๋ยวทุกเดี๋ยวมันก็้าเอาอีกนะอยากจะได้อย่างนี้พอไม่ได้ก็ร้องไห้วอยวายเดี๋ยวพ่อแม่กระจอ่อนเนื้อยทาตามมันยอมแพ้มันอย่าไปยอมแพ้มันปล่อยมันออกฤทธิ์ออกเดชไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดเองเดี๋ยวหมดแรงมันก็หยุดเองแล้วคราวต่อไปมันจะไม่มาออกฤทธิ์ออกเดช พอมันลูกออกไปมันก็ไม่ได้อยู่นี่วิธีเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงแบบนี้มันก็มันก็เป็นกิเลสลูกเราก็เป็นกิเลสความอยากของลูกเรามันอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็เป็นกิเลสเพราะของที่มันจําเป็นต้องมีเราก็ให้มันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันไม่มีข้าวก็ให้ข้าวมันกินไม่มีน้ำก็ใหน้ำมันดื่มแต่มันอยากได้อย่างอื่น เนตุ๊กตาเห็นอะไรอยากได้พอไม่ได้ก็ร้องโวยวายพอแม่กระใจาอ่อนนะรีบซื้อให้มันเดี๋ยวมันก็โวยวายขึ้นมาเดี๋ยวเห็นอย่างอื่นเห็นขนมนก็โวยวายขึ้นมาอีกอต้องอย่าไปตามใจมันเอปล่อยมันโวยวายไปปล่อยมันร้องไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันหมดแรงมันก็หยุดเอง แล้วมันจะรู้ว่ามันใช้มใช้วิธีนี้สู้กับเราไม่ได้อีเลสก็เหมือนกันเวลาอยากได้อะไรมือไม้สั่นใจสั่นไปหมดปล่อยมันสั่นไปใช้ขันติใช้ความอดทนสู้กับมันเดี๋ยวมันหมดแรงแล้วมันก็จะหายสั่นเองอแล้วมันก็จะรู้สึกเฉยเฉยที่เห็นอะไรก็รู้สึกเฉยเฉยพอรู้ว่าถ้าสั่นก็ไม่ได้อยู่ดี ก็ไม่รูไม่สันทำไมอัเ น, นี้วิธีที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความความไม่สงบไม่สบายใจต่างๆนี้เกิดจากกิเลสตัณหาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้รู้จักใช้เงินให้ถูกถูกทางอย่าไปใช้กับการรับใช้กิเลสตัณหา เพามันจะเป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะใช้เงินก็เอาไปทำบุญทำบุญแล้วใจไม่สันทำบุญแล้วใจสงบเวลาอยากทำก็ไม่สันเวลาไม่ได้ทำบุญนี่คือก่อนที่เราจะปฏิบัติทำขั้นสูงได้เราต้องถามตัวเองก่อนว่า ทำขั้นต่ำเราได้หรื อ, อยังสอบทำข้อสอบของชั้นอนุบาลได้หรื อ, อยังก่อนจะไปทำข้อสอบของชั้นประถมของมัธยมยทำทานได้หรื อ, อยังทำทานได้แล้วก็ไปทำข้อสอบขั้นต่อไปรักษาสี่ห้าได้หรื อ, อยังเรายังขาดขาดเกินเกินอยู่ยังไม่ได้เต็มร้อยยังทำไม่ได้ครบเนี่ยทำไม่ครบก่อน ำสำศีลห้าให้ได้ครบก่อนนี่การปฏิบัตินี่มันต้องเป็นอย่างนี้เป็นขั้นบันไดส่วนการเรียนนี่มันเรียนพูดเดียนพร้อมกันได้ทานคืออะไรทานคือการให้ก็จบแล้วศีลคืออะไรศีลก็คือการไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลดไม่ดื่มสุรายาเมาอันนี้ก็จบล้วเรียนแค่นี้ก็จบแล้วรู้แล้วศีลห้ามีอะไรศีลแปดมีอะไรก็เรียน แต่เวลาปฏิบัติมันไม่ง่ายเหมือนเวลาเรียนเวลาปฏิบัติมันเนี่ยเวลาจะเอาเงินควักเงินไปซื้อขนมเนี่ยเปลี่ยนใจเอาไปใส่กระปุกไว้เอาใสาท่ทำบุญดีกว่าอันนี้อันนี้มันยากตรงนี้เรียนมันง่ายแต่เวลาปฏิบัติมันยากยังกรต้อง ปฏิบัติให้มันได้จากขั้นต่ําไปสู่ขั้นสูงขั้นสูงถ้าเราว่าเราปฏิบัติบางทีมันนันหรอกเราบาง ท, เาางทเาีเราไม่ได้ปฏิบัตินั่งสมาธินี้จิตยังไม่เคยรวมก็บอกว่าได้สมาธิแล้วเพราะได้นั่งแล้วอเพราะว่านั่งสมาธิก็ได้นั่งแล้วไงบางคนว่านั่งเยอะๆก็ไม่ดีกลัวติดสมาธิอีกไปติดอะไรมันยังไม่มีสมาธิให้ติด เตียนั่งเยอะๆเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อยังไม่ได้สมาธิมันจะไปติดสมาธิได้ยังไงยอมนั่งกันกลัวกันกลัวจะติดสมาธิกันไปทางปัญญาดีกว่าปัญญาก็ไม่ใช่เป็นปัญญาปัญญาก็ท่ากิเลสไม่ได้ปัญญาก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งไปเท่านั้นเองคิดไปว่า อันนั้นไม่ดีอัน น, นี้ไม่ดีอันนั้นไม่เที่ยงอันนี้ไม่เที่ยงแต่ก็ยังอยากได้อยู่อันนั้นก็ทุกอันน firm, way, ี้ก็ทุกก็ยังอยากได้อยู่อันนี้ไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาแล้วมันต้องไม่อยากได้อะไรถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็ต้องไม่อยากได้ถ้ายังอยากได้อยู่มันก็ไม่ใช่ปัญญา การปฏิบัติมันเราต้องอทําเป็นขั้นๆไปขั้นแรก เ, เรายังหหรเงินหรือเปล่ายังอยากเก็บเงินไว้รับใช้กิเลสหรือเปล่าออันนี้ต้องถามตัวเองเอยังซื้อของให้กับกิเลสหรือเปล่าอาถ้ายังซื้ออยู่ก็ยังยังทําทานไม่ผ่านะ ถางินทุกบาททุกสตางค์นี้ไม่ได้ไปใช้ให้กับกิเลสนั่นนะถึงจะเรียกว่าผ่านถ้ายังเอาเงินไปใช้รับใช้กิเลสอยู่นี่ยังถือว่ายังทำทานไม่ผ่านอทําบ้างอย่างเนี้ยนนั้ญาติเย้ามาทีก็มาทํากันนิดกันหน่อยแบ่งแบ่งคอกิเลสมาหน่อยเดี๋ยวพอกลับบ้านก็เอาไปให้กิเลสใช้ต่อต้องดูว่าร า, างการ ให้กิเลสใช้กับการเอาไปทำบุญนี่ใครเอาไปใช้มากกว่ากัน้ากิเลสเอาไปใช้มากกว่าแสดงว่ายัางยังไม่ได้ทาทานเต็มที่ถ้าทาทานเต็มที่นี้ไม่มีช่องให้กิเลสเลยไม่มีงบประมาณให้กิเลสเลยกิเลสบอกเดือนนี้จะซื้อกระเป๋าใบใหม่ไม่มีแล้วงบประมาณตัดไปเดือนหน้าจะไปเที่ยวไม่มีแล้วงบประมาณสาหรับกิเลส ตัดไปให้หมดออย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าอมีเงินเท่าไหร่ก็เอาไปทําบุญทําทานไปทําที่ไหนก็ได้ตามความชอบใจทํากับโรงเรียนทํากับโรงพยาบาลทํากับวัดทำกับอะไรต่างๆเราชอบทําที่ไหนทําได้เหมือนกันได้บุญเหมือนกันได้ทําทานเหมือนกันเพียงแต่ประโยชน์ที่เราไปให้กับ สถานที่ต่างๆมันก็ตต่างกันไปทํากับโรงเรียนก็จะทําให้โรงเรียนมีเงินจ่ายค่าค่าใช้ใจ่ายของโรงเรียนทําให้โรงเรียนสามารถทําหน้าที่ให้ความรู้แก่เด็กได้ถ้าเอาไปทํากับโรงพยาบาลหมอก็จะได้มียามีเงินซื้อยาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ มีเงินจ่ายค่าเงินเดือนก็จะได้รักษาพยาบาลคนไข้ได้ประโยชน์มันต่างกันถ้าไปทำบุญกับวัดวัดก็จะได้มีที่ให้มาญาติโยมให้คนที่สนใจมาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาบวชกันก็ประโยช น, น์ต่างกันไปแต่บุญได้เหมือนกันบุญคือความคือค่ากิเลส เหมือนกัน เ, เงินที่จะไปเที่ยวแล้วเอาไปทําบุญที่โรงเรียนโรงพยาบาลที่วัดนี้ก็ได้ได้ผลเหมือนกันคือได้ฆ่ากิเลสเหมือนกันอนี่คือตรวจถามตัวเราเองก่อนว่าเราทําทานผ่านหรือยังถ้ายังไม่อย่ า, อ, า, ย อ, ยาอย่าไปมองข้ามต้องพยายามทำ ไม่ได้ไมอยงนั้นเดี๋ยวมันก็หลอกเราหลอกเราว่าเราเก้าวหน้าอ๋อเราไปรักษาศีลเราไปภาวนาได้แต่พอเรากลับบ้านเดี๋ยวกิเลส ม, ม, ม, มันชวนก็ไปกับมันการปฏิบัตินี้เป้าหมายคือการฆ่ากิเลสไม่ว่าจะเป็นการทําทางก็เป็นการฆ่ากิเลส การรักษาสีนี้ก็รักษาเพื่อฆ่ากิเลสกิเลสอยากจะขโมยเงินของคนอื่นนี่ก็ต้องไม่ขโมยกิเลสอยากจะไปประพฤติผิดประเวณีก็ไม่ไปประพฤติผิดประเวณีกิเลสอยากจะโกหกก็ไม่โกหกกิเลสอยากจะดื่มสุราก็ไม่ดื่มการกระทําเหล่านี้มันเป็นการกระทําของกิเลสทั้งนั้นที่รักษาสีก็เพื่อให้ฆ่ากิเลส พอเราท่ากิเลสห้าตัวได้เราก็จะเพิ่มอีกสามตัวได้กิเลสสามตัวก็คือไม่ไม่นอนกับแฟนเลยอยากนอนกับแฟนก็ไม่ให้นอนเลิกนอนกับแฟนอยากจะกินอาหารเย็นก็ไม่ให้กินไม่จำเป็นกินมื้อเดียวก็พอเลิกกินก่อนเที่ยงวันหลังเที่ยงวันก็ไม่ให้กินพวกนุ่งขาวนี่ชุดขาวนี่ กำลังฆ่ากิเลสแปดตัวตัวที่เจ็ดก็เนี่ยไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ร้องนําทําเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ใส่ชุดขาวใส่ชุดธรรมดาไม่มีอะไรระยิบระยับออไม่มีสีสันไม่ทำเผ้าทําผมทําหน้าทําตาเนี่ยฆ่ากิเลสทั้งนั้นการกระทําต่างเหล่านี้มันเป็นการกระทําของกิเลสทั้งนั้น ที่เรามารักษาศีลก็เพื่อที่จะมาฆ่ากิเลสกันนะรักษาศีลห้าได้หรือยังรักษาศีลห้าได้แล้วก็รักษาศีลแปดต่อถ้ารักษาศีลแปดได้ก็จะมีเวลามีเวลามาภาวนาภาวนานี้ไม่ใช่นั่งสมาธิเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็จบนี่ไม่ใช่ภาวนา ภาวนามันต้องตั้งแต่ตื่นจนหลับนถ้าจะภาวนาจริงๆถ้าจะฆ่ากิเลสจริงๆนี่มันต้องภาวน า, ต, ต, ต, นาน ต, ต, ตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะกิเลสมันทำงานตั้งแต่ตื่นจนหลับพอตื่นขึ้นมามันเริ่มคิดก็คิดไปทางกิเลสแล้ววันนี้จะไปกินอะไรดีวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีนี่แต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าจะภาวนาจริงๆมันต้องลืมตาขึ้นมาก็ ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางกิเลสใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุด ม, มันจะคิดไปที่ยอไปรหยุ์มันคิดไปแม้กาการไปทำธุรกิจอะไรตา่างๆมันก็เป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นถ้าลองลองลองจะปฏิบัติจริงๆแล้วงานของนักปฏิบัติก็คืองานฆ่ากิเลสเท่านั้นงานอย่างอื่นนี่ไม่ใช่งานงานอย่างอื่นนี่เป็นงานของกิเลสทั้งนั้นนะ ไปหาเงินนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสนะไปทําทอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องทําก็เรื่องของกิเลสนะนักปฏิบัตินี่จะทําแต่เรื่องที่จำเป็นจริงๆนะเช่นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเห็งเวลาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เลี้ยงแต่เลี้ยงขนวันละขนเดียววันละมื้อก็พอทำงานที่ต้องทก็มีอะไรก็กวาดถูที่อยู่อาศัยทําความสะอาด ซักเสื้อผ้าอาบน้ำอาบถ้าอันนี้การงานที่จําเป็นที่ต้องทํานั้นถ้าคิดจะไปทํางานอย่างอื่นนี่เป็นกิเลสทั้งนั้นอืถ้าลองลองเข้าสู่การปฏิบัติแล้วแม้แต่การคิดจะไปทอดผ้าป่าไปทําบุญที่นู่ น, ท, น, นที่นี่ก็เป็นกิเลสขึ้นมาถ้าลองปฏิบัติแล้วไม่เอาเรื่องงานอย่างอื่นแล้วเอาแต่งานฆ่ากิเลสอย่างเดียวอื ให้มันสงบอย่างเดียวไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปุงแต่งไม่ให้มันอยากนี่ถึงจะเรียกว่าภาวนาไม่ใช่วันละนั่งวันละครึ่งชั่วโมงแล้วไดไภาวนาแล้วปัญญาก็ต้องพิจารณาสลับกับการนั่งสมาธิพอเราได้สมาธิแล้วเราก็ค่อยมาทำทางปัญญา ถ้ายังไม่ได้สมาธิทำปัญญาไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะปัญญามันก็เหมือนกับมีดที่ยังไม่ได้รับเถ้าไม่มีสมาธิก็เหมือนมีดที่ไม่ได้รับมันฟันอะไรก็ไม่ขาดต้องเอามีดไปรับก่อนวิธีรับมีดก็คือต้องมีสมาธิก่อนหรือไม่เช่นนั้นก็เหมือนกับคนที่ใช้มีด ยังไม่ได้กินข้าวนะแล้วให้เอามีดไปเอาเอามีดไปตัดไม้ตัดอะไรไม่มีแรงตัดตัดไม่ขาดต้องให้กินข้าวกนะ่อนกินข้าวให้อิ่มพักง่วงนอนก็นอนพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนอถ้าได้พักผ่อนหลับนอนได้กินอาหารนะทีนี้จะมีกําลังนะพอเอามีดไปตัดไม้มันก็ปันทีสองทีก็ขาดนี่คือสมาธิ สมาธิคือการให้อาหารให้การพักผอ่อนแก่จิตใจถ้าจิตใจยังไม่มีอาหารยังไม่มีการพักผอ่อนจะไม่มีที่เรมีแรงถึงแม้จะรู้ว่ากิเลสอันนี้เป็นกิเลสแต่ก็สู้มันไม่ได้กิเลสอยากจะดื่มกาแฟก็สู้มันไม่ได้กิเลสมันอยากจะไปทํานูน่นทํานี่ก็สู้มันไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วเนี่ย คำว่ามีสมาธิแล้วนี่มันไม่ใช่นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงแล้วมีสมาธินะไม่ใช่มันจิตต้องรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เรียกว่าอัปปนาสมาธิจิตแล้วนิ่งอยู่ได้นานสงบเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้มีความสุขมากไม่หิวไม่อยากได้อะไรไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอะไรอันนั้นแหละถึง่ะเรียกว่าสมาธิ และการจะได้สมาธิแบบนี้ที่เรียกว่ามีมีสมาธิก็คือต้องสามารถเข้าได้ตลอดเวลาต้องการจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้อันนั้แล้วออกมาจิตก็สงบจิตก็เย็นเป็นอุเบกขาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วไม่ออกทางปัญญาถึงจะเรียกว่าติดสมาธิ แต่ถ้ายังไม่มีสมาธิแบบนี้ไปออกทางปัญญาก็เหมือนกับยังไม่มีสมาธิแล้วก็ไปทางปัญญาไปก็ไม่มีแรงที่จะสู้กับกิเลสตัดกิเลสไม่ได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเจออะไรกลัวเจอทุกขเวทนา ก, ก, ก็สู้มันไม่ได้เจอความตายก็สู้มันไม่ได้เกิดความกลัวขึ้นมา ถ้ามีสมาธิและมีปัญญารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงแลต้องตายก็จะเฉยได้จะไม่กลัวตายจะไม่กลัวเจ็บเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปตายก็ปล่อยมันตายไปได้ใจก็เฉยใจไม่สันใจไม่กลัวอะไรถ้ามีทั้งสมาธิทั้งปัญญามันจะไม่สันถ้าไม่มีสมาธิมีแต่ปัญญารับรองได้สัน รู้ตอนนี้เราก็มีปัญญากันไม่ใช่เหรอรู้ว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันพอมัไม่สบายใจสบายไหมพอรู้ว่าจะตายมันจะสบายไหมเพียงแต่คิดก็ยังไม่สบายเลยยังไม่เจอของจริงนั่นแหละปัญญาแต่ปัญญาที่ไม่มีสมาธิสู้กิเลสไม่ได้ นี่เลยก็คือความอยากไม่ตายความอยากไม่เจ็บเพอจะเจ็บก็ก็ใจก็สั่นขึ้นมาพอจะตายใจก็สั่นขึ้นมาแต่ถ้ามีสมาธิมีปัญญาจะเฉยร่างกายจะตายก็เฉยร่างกายจะเจ็บก็เฉยนี่คือเรื่องของการปฏิบัติ ถ้ไม่ปฏิบัติจริงๆยังยังไม่รู้หรอกแล้วก็คิดว่าได้ปฏิบัติถึงนูน่นถึงขัน้นนู้นขันนี้แล้วอวันหนึ่งนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงไปฟังเทศฟังธรรมได้ปัญญาเรี่าบรรลุขัน้นนู่นคันนี้แล้วมันยังไม่ถึงอก่อนที่เขาจะบรรลุกันได้นี่เขาต้องปฏิบัติกันทั้งวันทั้งคืน ยังเว้นเวลาหลับเท่านั้นนี่เขาไม่ปฏิบัติเพราะตอนนั้นพักผ่อนพักทางร่างกายส่วนจิตใจก็พักตอนที่นั่งสมาธิเยันเราต้องปฏิบัติเป็นขั้นไปไล่เป็นขั้นขั้นไปขั้นที่หนึ่งเราทำสำเร็จหรือ ย, อยังครบบริบูรณ์หรือยัง เงินทองที่มีอยู่มากน้อยก็เอาไปทำบุญหรือเอาไปใช้กับสิ่งที่จาเป็นเท่านั้นถ้าเป็นผู้ชายก็ก็ไปบวชก็ไม่ต้องเงินติดตัวไปมีข้าวของเงินทองอะไรก็ยกให้ครอบครัวไปให้เพื่อนให้สามีให้พ่อให้แม่ไปครูบาอาจารย์พระอาจารย์พรหมเนี่ยท่านก็มี ท่านก็ก่อนที่ท่านจะบวชท่านก็เป็นก็เรียกเศรษฐีของชนบทมีไร่มีนามีวัวมีควายท่านมีภรรยาแต่ไม่มีลูกแล้วท่านกับภรรยาก็สนใจปฏิบัติธรรมกันจนถึงวันหนึ่งก็พร้อมที่จะทำทานพร้อมที่จะสอบซ้อมที่จะผ่านขั้นฐานก็คือสละ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ไปหมดเลไม่เก็บไว้เลยติดประกาศบอกชาวบ้านไหมใครต้องการวัวไม่มีวัวไม่มีควาย ม, มารับไปใครไม่มีนามาเอาไปใครไม่มีบ้านมาเอาไปเขาสามีภรรยาเขาจะไปบวชกันนี่แหละคือการทำทานคำคาหมายของคำว่าทาทาน ทําแบบนี้ถึงจะเรียกว่าทำทำทำข้อสอบข้อนี้ได้ถ้ายังแบ่งไว้ยังกักไว้ยังเก็บไว้อยู่นอกจากว่าจำเป็นจริงๆต้องเก็บไว้เพื่อเลียเ้ยงปากเลี้ยงท้อมเช่นผู้หญิงอาจจะไปบวชไม่ได้อาจจะต้องมีเงินเก็บไว้สำหรับจ่ายค่าปัจจัยสีอันนี้ก็เก็บไว้ได้แต่ไม่ได้เก็บไว้ให้กับกิเลส เก็บไว้ให้กับร่างกายนี่เก็บได้อยู่แ่เท่าที่ได้ยินนึกรู้สึกว่าภรรยาของท่านอาจารย์ผมนั้นก็ไปอยู่กับวัดเลยท่านก็ไม่ต้องมีเงนินมีฐานก็ไปอยู่เป็นไปบวชที่อยู่ในวัดวัดก็เลี้ยงดูชีเหมือนเลื้ยงดูพระเลงดูกันอาจารย์ท่านก็ บ, บวชแล้วก็ไปศึกษาการหลวงปู่มั่น แล้วไม่นานท่านก็ได้บรรลุทำ yeah. คือการปฏิบัติต้ปฏิบัติแบบนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติ yeah. ทำทานก็ทำทานร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยรักษาศีลก็รักษาศีลร้อยเปอร์ซต์ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันทุกคืนไม่ใช่แบบสลับกันไป yeah. วันนี้ขอพักหยุดไม่รักษาศีล น, นะไว้พรุ่งนี้ค่ยรักษาไม่มี yeah. รักษาแล้วก็รักษากษาันไปเลยนี่แบบเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวก็ใส่ชุดขาวเดี๋ยวก็ใส่ชุดเขียวมันก็อย่างนี้ยังไม่เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าซ้อมไปก่อนเรียกว่าซ้อมยังไม่ได้ขึ้นเวทีจริงยังไม่ได้ขึ้นไปต่อสู้กับกิเลจริงจงจังๆถ้าขึ้นเวทีแล้วไม่มีซ้อมนะเอากันจริงจงจังๆเลยเอากันเป็นเอาเอาเป็นเอาตายกันเลยเอาแพ้เอาชนะกันเลย อันนี้พูดให้ฟังเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะกลัวเข้าใจผิดว่าไปปฏิบัติธรรมกันตรงนี้ว่าไปซ้อมปฏิบัติธรรมดีกว่าอย่าเพิ่งเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมเลยถ้าไปปฏิบัติธรรมแล้วไปแล้วไม่กลับเข้าใจไหมอย่าเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมถ้าไปแล้วยังกลับอยู่ยังไม่เรียกว่าไปปฏิบัติธรรมเรียกว่าไปซ้อมปฏิบัติเออไปชิมรางหรือไปชิมอาหารก่อนเอ ก็ชิมว่าหาร้านี่ดีไหมหาร้านี่ดีเดี๋ยวจะได้กลับไปกินอย่างเต็มที่เลยเนะคืออยากจะที่บายให้ฟังเรื่องคําว่าปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวญาติโยมจะไม่เข้าใจคนเรียกว่านี่ฉันนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงฉันก็ได้ปฏิบัติแล้ว อ, อันนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติเนี้ว่าซ้อมเอาชาพมาบน่นมาปฏิบัติมาหลายปีไม่เห็นได้ผลเลยมันจะไปได้อะไรมันไม่ได้ปฏิบัติจริง พยงแต่ซ้อมเอานั่นเองยังไม่ได้ฆ่าฆ่ากิเลสตัณหาใช่ไหมเดี๋ยวพอพอเลิกซ้อมก็กลับมารับใช้กิเลสตัณหาต่ อ, อยกิเลสก็ชวนไปเที่ยวกับไปกับมัน เ, เรียกว่ายังไม่ปฏิบัติอไม่จะเป็นไม่ปฏิบัติจริงไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยคำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติแบบไม่เลิก ไม่ใช่มีเปี่ยมีการเปลี่ยนวันนี้ไม่ปฏิบัตินะตัวนี้ปฏิบัติไม่มีปฏิบัติทุกวันมันถึงจะได้ผลไงอถ้าปฏิบัติแล้วก็หยุดปฏิบัตินี่มันจะไม่ได้ผลมันขาดตอนพอขาดตอนก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่ยังต้องปฏิบัติมาแบบ้วนเดียวจบถ้ายังไม่หมด ก็ไม่หยุดนถ้ากิเลสยังไม่หมดก็ไม่หยุดปฏิบัตินะถ้าหยุดปฏิบัติแล้วมารับใช้กิเลสมันก็เหมือนกับเดินถอยหลังแทนที่จะเดินหน้าก็เดินกลัดถอยหลังป่ะถ้าปฏิบัติแบบนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเรียกว่าซ้อมปฏิบัติไปก่อนดีกว่าดีไมมดีไม่ได้ว่าไม่ดีเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ปฏิบัติเท่านั้นเองมันเป็นเป็นเพียงซ้อม นั่งมวยที่ซ้อมโชคกับคู่โชคอย่างเงี้ยยังไม่ได้โชคกับแชมป์จริงยังไม่ได้เข็มขัดชนะก็ไม่ได้เข็มขัดไม่ได้รางวัลอยากจะได้เข็มขัดได้รางวัลต้องไปชิงแชมป์ไปโชคกับแชมป์ถ้าชนะแชมป์เมื่อไหร่ก็ได้รางวัลถ้าฆ่ากิเลสอวิชชาตันหาได้เมื่อไหร่นั่นแหะจะได้รางวัลได้เข็มขัดได้มรรคผลนิพพานอย่างเรียกว่าเป็นการปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติแบบ น, นี้ปฏิเวทมันก็จะตามมาปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัติคืออะไรก็มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมรรคผลเป็นคู่กันมรรคเป็นทางเดินผลคือเป้าหมายจุดหมายปลายทางของการเดินขั้นที่หนึ่งคือขั้นสุวามันเวลาจเจริญมรรคก็จเจริญปัญญาจเจริญสมาธิ จเจริญปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสขั้นที่หนึ่งฆ่ากิเลสขั้นที่หนึ่งได้ก็เป็นโสดาบันฆ่ากิเลสขั้นที่สองได้ก็เป็นฆาสกิ ด, ดาฆามีขั้นที่สามได้ก็เป็นอนาคามีขั้นที่สี่ได้ก็เป็นอรหรันต์ได้ขั้นที่สี่ก็ได้นิพพานเป็นรางวัล น, นี่คือปฏิเวท ละได้ปฏิเวชนี้ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ป, ปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ปฏิบัติแบบซ้อมปฏิบัตปิปฏิบัติจริงๆทานก็ต้องทําทําให้หมดเลยมีเท่าไหร่ก็ทําให้มันหมดไปเลยจะได้ไม่ต้องมาทําอีกศีลก็รักษาตลอดเวลาศีลก็ตั้งแต่ศีลแปด ศีลสิบศีลสองรอยิบเจ็ดไปสมาธิก็ทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปควบคุมใจให้สงบตลอดเวลาจน จ, จ, จ, จนจนจจนจนใจนี้สงบตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือออกมานอกสมาธิก็ยังสงบอยู่อย่างนีน้ถึงจะเรียกว่ามีสมาธิ ถ้ามีสมาธิแบบนี้แล้วไม่ไปทางปัญญาเนะนี่ยถึงเรียกว่าปิดสมาธิแต่ติดสมาธิก็ไม่เสียหายดรงไหนไม่เป็นอันตรายปิดสมาธิเพราะมันสุกไลย ม, มันก็ติดกันเพียงแต่ว่ามันไม่ก้าวหน้ามันไม่ได้มากผลนิพพานมันได้แค่สวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นเองมันยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก โทษของการติดสมาธิก็เพียงแต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ได้สวรรค์ชั้นพรมแล้วเหมือนคนที่โูกอกตัลลีถูกสองตัวแล้วก็ไม่ไม่ไปตรวจรางวัลที่อื่นก่อนเอาสองตัวไปขึ้นรางวัลแต่ทางจริงมันมีมันถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยแต่ไม่ได้ไปตรวจรางวัลที่หนึ่งตรวจแค่เลขท้ายสองตัว ตอถูกไดี้ย้ายสองตัวก็ไปเอาแค่ขึ้นรางวัลแค่เลี้ายาสองตัวเรียอย่างนี้เรียกว่าติดสมาธิเอาแค่สมาธิไม่เอาปัญญาต่อแต่พวกที่นั่งยังไม่ได้สมาธิอย่าไปกลัวว่าติดสมาธิเลย <c oughs> เพราะกลัวติดสมาธิมันเลยไม่นั่งกันเลย <c oughs> มันก็เลยไม่ได้สมาธิปัญญามันก็เลยไม่ได้เพราะปัญญามันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเอง เป็นความคิดที่ไม่มีกำลังที่จะสู้กับกิเลสดันหาได้ <c oughs> ถ้าเป็นความคิดที่ฆ่ากิเลสได้นั่นะถึงเรียกว่าปัญญา <c oughs> เลิกกาแฟาได้เลิกบุหรี่ได้เลิกเที่ยวได้เลิกช้อปปิ้งได้เลิกไปไหนมาไหนได้อยู่คนเดียวได้ <c oughs> เลิกแฟนเลิกมีแฟนได้ <c oughs> เลิอกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเถึงเรียกว่าปัญญา นี่ก็เรื่องของอาการปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติก็ต้องศึกษากอนว่าเราต้องทำอะไรต้องทำทานทำทานทำยังไงก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระสาวกเป็นตัวอย่างท่านทำทานกันยังไงท่านก็สละหมดเนี่ยสละลาบยศสละเสริญเรียกว่าทำทานแบบนั้นเรียกว่าปฏิบัติสีนากนกรลักษาตลอดเวลา ศีลปรมจรั์อย่างน้อยต้องศีลแปดขึ้นไปภาวนาก็เดินโยมโงมนั่งสมาธิจเจริญสติทั้งวันควบคุมความคิดหยุดความคิดทําจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้แล้วก็ให้เป็นได้ทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนจิตเย็นสงบสบายอันนี้ถึงได้ว่ามีสมาธิไม่ว่าจะนั่งหรือไม่นั่งก็มีสมาธิ กิเลสยังยังมีอยู่มักิเลสยังไม่ตายกิเลสมันยังแวบออกมาเป็นแวบๆแต่มันไม่ได้ออกมาเพ่นพ่านเหมือนสมัยที่ไม่มีสมาธิสมัยที่ไม่มีสมาธินี่มันออกมาตลอดเวลาเลยแต่เวลามีสมาธินี่มันแอบออกมาเหมือนกับขโมยมันจะมาตอนที่เราเผลอขโมยมันชอบออกตอนคืนใช่ไหมตอนที่เราหลับเรานอนหรือตอนที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ย ทโมยมันถึงจะมาออก็เป็นแบบนี้สำหรับคนที่มีสมาธิแล้วกิเลสมันจะไม่ออกมาเพ่นพ่านเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะย่องเงียบมันจะโผล่มาวัแบบออมาแย่ดูว่าออจะเอาไหมพอเอามันก็เลยออกมาเต็มตัวออถ้าไม่มีปัญญาก็จะจับมันไม่ได้ออตอนนั้นถึงต้องหัดใช้ปัญญาเวลากิเลสมันออกมาหลอกมาร่อเราแล้ ว, ลวตอนนั้นต้องใช้ปัญญา ทั้งยาฆ่ามันได้มันจะออกมาก็ยากบางทีต้องไปหาที่แย่มันออกมาเช่นไปหาที่น่ากลัวอยู่นี่ดูกิเลสความกลัวมันจะออกมาไหมไปอยู่กับสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ท้าทายต่อความเป็นความตายดูยไปอยู่ในป่าช้าไปอยู่ในป่าเปลี่ยวเนี่ ย, เ, ยเป็นวิธีที่จะวราคนมีสมาธิแล้วมันไม่ออกมาเพ่นพ่าน ต้องไปหาที่ล่อมันดึงมันออกมามันถึงจะออกมาหรอนั่งให้มันเจ็บให้ร่างกายนี่เจ็บแล้วก็ไม่ขยับเนี่ยแล้วดูกิเลมันจะออกมาไหมกิเลคือความอยากให้ความเจ็บหายไปมันออกมาหรือเปล่าคนที่มีระดับสมาธิแล้วกิเลสหยาบหยับมันมันมันไม่มันไม่กล้าโผล่ออกมามันไม่ออกมาเพ่นพ่าน ต้องเอาต้องไปแยมันเอมันถึงจะออกมาเราถึงจะรู้ว่ามีปัญญามีกาลังที่จะหยุดมันได้หรือเปล่าอมีสมาธิมีปัญญาที่จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราได้หรือเปล่าเออถ้าหยุดมันได้ก็แสดงว่ามีปัญญาปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายไม่เที่ยง ร่างกายไม่ใช่ของเราไปยึดไปติดมันจะเป็นทุกข์ไปอยากให้มันเป็นของเราเนี่ยจะทุกข์ถ้าปล่อยให้มันเป็นไม่ได้เป็นของเรามันจะไม่ทุกข์นี่คือเรื่องของการปฏิบัติเราต้องดูตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนที่เราสวดกันนี่เนไะมสุปฏิปันโนซาวกระสรังโคเหม พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีสี่ประเภทพระโสดาบันพระสกิรดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ดูศึกษาประวัติของท่านแต่ละองค์เลยท่านทำทานอย่างไรท่านรักษาศีลอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไงอันนี้แหละเราต้องดูตัวอย่างถ้าเราไม่ดูตัวอย่างแล้วเราจะหลงหลงคิดว่าเวลาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว แต่ยังไม่ได้อะไรเลยตองอะไรไปโทษว่าธรรมะหมดสมัยแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วยุคนี้ต้องหมดธรรมะเสื่อมไปแล้วมรรคผลนิพพานหายไปหมดแล้วปฏิบัติยังไงก็ไม่มีวันได้มรรคผลนิพพานแล้วก็จะก็ไม่ปฏิบัติตามคนที่ก็ได้มรรคผลนิพพานอย่างนี้ปฏิบัติแบบ ตัวเองมันก็ไม่ได้ผลเลยนี่งั้นเราต้องดูตัวอย่างฟังคําสอนแล้วก็ลองดูว่าท่านท่านสอนอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านสอนให้ทําทานแล้วท่านทําทานอย่างไรท่านสอนให้รักษาศีลท่านรักษาศีลอย่างไรท่านสอนให้ภาวนาท่านภาวนาอย่างไรท่านภาวนาแค่วันพระหรือเปล่าหรือท่านภาวนาทุกวันออ หรท่านภาวนาปีสักเจ็ดวันปีหนึ่งเดือนหนึ่งไปพักไปภาวนาสักครั้งหนึ่งหรือว่าท่านาท่านภาวนาทุกวันต้องดูตัวอย่างถึงจะได้ผลตามที่พุทธเจ้าจะรับประกันไว้พระพุทธเจ้าบอกถ้าปฏิบัติตามตามพระพุทธเจ้าตามพระอาหารหันตาสาวกรคนี้เจ็ดวันก็ได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีต้องได้แน่แน แต่ต้องปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าแบบพระสาวกปฏิบัติกันนี่ก็วันนี้ก็เล่าเรื่องปริยัติเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิเวชนี่มันเป็นลูกโซ่มันเกี่ยวเนื่องกันมันเป็นขั้นบันไดอยากข้ามขั้นข้ามขั้นแล้วจะไม่ได้ผลต้องศึกษาก่อนศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริง ศึกษาประวัติของผู้ที่รู้จริงเห็นจริงว่าท่านปฏิบัติอย่างไรดูตัวอย่างของท่านแล้วเราก็นอาออกไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัติผลก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนปฏิเวทจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ตามลำดับไปตามขั้นขั้นไปขั้นที่หนึ่งก็หลุดพ้นไปส่วนหนึ่งขั้นที่สองก็เพิ่มไปอีกส่วนหนึ่ง ขั้นที่สามก็เพิ่มไปอีกส่วนหนึ่งพอขั้นที่สี่ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดเลยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะทาวาวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกัรปติ อิชิตังปฏทิตางตุ მ หังกิพะเมวะสมมิตยตุสะเภปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยธามลิโจติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสภโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อพิวาทนสีริษะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรมมาวาทานติอายุวันโสุขังภาลาังอยากได้หนังสือซีดีก็มาหยิบไปเนี่ยประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าพาาระาอาหารหันต์ท่านปฏิบัติยังไงก็เอาไปอ่านดูเ ที่เขาเขียนมานี่ให้เราได้ดูตัวอย่างของท่านถ้าทำแบบท่านผลก็จะต้องได้แบบท่านอยากได้ผลแต่ไม่ยอมทำแบบท่านมันก็ไม่ได้ผลทำแบบเรามันก็ไม่ได้ผลเลยเดี๋ยวก็ลองถามพักก็ดูนะตอนต้นก็ต้องซ้อมปฏิบัติก่อนจะได้มีกําลังเหมือนนักมวยก่อนจะขึ้นเวทีจริงก็ต้องซ้อมก่อน ซอมมา ก, มากๆเราเี๋ยจะมีมีกําลังที่จะขึ้นเวทีก็ขึ้นเวทีจริงเลยปฏิบัติแบบไม่ถอยเลยไม่หยุดเลยถ้าไม่ชนะก็ไม่ไม่ไม่หยุดยถ้ามันสู้ไม่ถอยมันก็ต้องชนะแน่นอนถ้าสู้แล้วถอยมันก็มันก็ไม่ชนะอันนี้เฟซบุ๊กข้นมาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กสูงสุดสี่ร้อยยี่สเก้าค่ะ หนึ่งร้อยยี่ส1บสี่ค่ะประมาณประมาณเท่าเดิมเป็นไงไปไปปฏิบัติมาสองอาทิตย์รู้สึกพร้อมลงเลยวะเห็นชันเลยมะรลงตะกี่กันโลยังไม่ได้ชันไม่ได้กินเลยเลยอดเลยเลยอดสามได้3วันอดสามวัน ปฏิบัติมมมามาไม่ตายไม่อดสามวันเหมนตายไหมหิวหิวว่าคือกิเลสเนี่ยร่างกายไม่หิวร่างกายบอกยังมีสเบียงเยอะ <laughs> ยังเกินเกณ์อยู่ยังไม่เห็นกระดูกเนื้ อ, อยังเยอะอยู่ที่หิวมันหิวใจหิวด้วยกิเลสถ้าทำใจใสงบแล้วมันจะหายหิว สงบไหมเวลามันหิวไว้นั่งพอสงบแล้วรู้สึกความหิวหายไปไหมดีนมาถูกทางแะ้ตอนนี้ยังซ้อมอยู่ซ้อมไปก่อนอพ้อมแล้วก็ขึ้นเวทีเลยเขึ้นเวทีก็ไม่มีลงถ้าจะนมก็ตายเท่านั้นอย่างพระพุทธเจ้านั่นงใต้โคนต้นโพธิ์ถ้าไม่ชนะก็ตายเท่านั้น ถ้าทำอย่างนี้แล้วกิเลสมันยอมแพ้ทุกตัวถ้าไม่ทําแบบนี้เราแพ้มันทุกทีถ้าเราไม่ยอมตายแล้วแพ้มันทุกทีพอหิวหน่อยก็กลัวตายแล้วถอยแล้วพอเจ็บหน่อยก็ขยับล้วลุกแล้วแสดงว่าแพ้มันถ้ายอมตายแล้วมันมันไม่ถอยเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเวลาตายมันก็ต้องเจ็บแบบนี้เหมือนกัน เวลาตายมันก็ต้องหิวแบบ น, นี้แหละมันไม่ได้กินเวล า, างั้นถ้าอยอมตายแล้วมันก็ถึงจะชนะได้ทนะ่านถึงบอกวัน<ม>นี้พายมันยู่ฟากตาย<ม>ถ้ายังกลัวตายอยู่ยังรักตัวกลัวตายอยู่ก็ไปนิพพานไม่ได้<ม>ความรักตัวกลัวตายนี้ก็คือกิเลสนี่ภาวะตัณหามีภาวะตัณหารักตัวก็ภาวะตัณหา กลัวตายก็วิภวตัญหาพ่อยังมีกามาตัญหายังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่อยากอยู่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่หนะอยู่เพื่ออะไรคนเราอยู่กันเพื่ออะไรเนะี่ยใช่ไหมอยู่เพื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสไหมหรือเปล่า<ม>ถ้ามีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันก็มีความรักตัวกลัวตาย พอถ้ามันตายมันจะไม่ได้เสกกันมีอะไรไมั้ย๋ยลืมเปิดถามมีอะไรจะเสนอั้มมีอะไรจะแนะนำหรือมีอะไรจะเล่าให้ฟังบ้างเจ็ดหน่อยก็ลุกไปนะแล้วก็คือเท่าเราก็นั่ง ช่วยไม่ได้ท่าเกเราเราต้องลุกขึ้นมาเขาห้องน้ำอะไรอย่าง้ยปกติก็กินกน้าให้มันน้อยหน่อยดิถ้าเราเราูททว้ว่าเราถ้าช่วงไหนเราจะนั่งแล้วก็แล้วก็จัดตารางได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเวลาไปทำอย่างอื่นยังยังทนได้บางทีรถติดอยู่ท้องถนนเป็นชั่วโมงยังทนได้ นั่งรถไปไกลๆไม่ได้จอดลงฉี่มันก็ยังทนได้ก็จัดก็จัดตารางดูสิถ้าเรารู้ว่าเราจะนั่งนานๆล้วก็ก่อนจะนั่งก็อย่าไปดื่มน้ำมันมาก ส, สองชั่วโมงมันก็ไหวไหวก็เคยมีหมอเคยเทรนเข้าห้องน้ำให้ฉันนะก็เราไปบินนาบาตั้งแต่เช้าออกจากกุฏิไปมันประมาณเกือบหกโมงเช้ากว่าวจะเข้าห้องน้ำได้ก็สี่ สิบโมงสิบเอ็ดโมงบางทีก<ม>็<ม>อย่าไปเดิมน้ำมันมากก็แล้วสันหม อ, มอเคยตรบอกว่าให้ตีให้ตเข้าหลังอาหารของทุกมือ้อ ม, มันเป็นปกติมนุษย์แต่ถ้าเผื่อเพราะเรานั่งใกล้ๆห้องน้ำจิตเราก็อยู่ที่ห้องน้ำปุ๊บปั๊บเดี๋ยวไปข้าอีก่แล้วอขวอยูล้ก็ช่วยไม่ได้ครับ Oh, okay. ถ้าคุณจัดการบริหารเรื่องเรื่งนี้ไม่ได้ก็มนุษย์ขัดจะบริหารให้เราเดี๋ยวไม่ใช่กีเลลนใช่เลใช่อะก็ปล่อดมันฉี่พิเศษตรงนั้นออเป็นอย่างมากก็เดี๋ยวเขาไปซักผ้าได้เช่นได้ถ้าถ้าปอดมันจริงๆมันก็ไม่ฉี่อยู่ดีมันจะหาช่องออกก็ยังกี่เลนมันจะหาช่องออกแล้๋ยวต้องลุกเข้าห้องน้าำไปแล้ว ไอโยงก็ถามดูเพราะว่คุยอย่งนี้แต่ปกติแล้วก็สองสามชั่วโมงนี่ก็ไม่มีแต่ถ้าเผื่ อ, อมันถึงเวลาเราจะต้องไปทำอะไรสักอย่างก็ดูนาิกาพอได้แล้วแล้วก็ถึงจะไปข่าวแต่มันมันไม่ใช่กิเลแต่เออแต่ก็กิเลสแหละครับที่ท่านว่าก็ถูกเพราะว่ามันมีกิจการที่ต้องทำที่เกี่ยวกับกิเลส นะคะซึ่งอยางเราอย่งางทิ้งไม่ได้อถ้าเกิดเริได้หมดแล้วเราก็นั่งแบบเช้ายันเย็นก็เลยเราต้องจัดการกับกิเลสจัดการกับกิจกรรมต่างๆตัดมันไปให้ได้ถ้าตัดไม่ได้มันก็ยังไปไม่ได้เหมือนเรือถ้ายังไม่ถอนสมองเรือมันก็ยังไปไม่ได้ เราเป็นเจ้าของเรือด้วยเออ จ, เจ้าของบ้านไมต้องกวาดบ้านถูบ้านถ้าเราไม่มีบ้านเลยก็ไม่ต้องถูอันนี่ไม่เท่าไหร่หรอกปวาดเดียวเดียวไม่ถูมัต้องถูมันทุกวันกวาดมันทุกวันหรอกไม่ร้อยมันสกรปุกค่อยกวาดก็ได้ อ, อแต่ความหวงนะมันนิสัยมันเคยทํามันก็เลยทำํำหวงว่ามันจะสกงบหยุดชื้อโรคชื่อโรคก็กลัวตายนักตัวกลัวตาย ในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับสกายาทิฏฐิที่เกี่ยวกับรักตัวโกวตานี่นะคะเวลาที่มันหมดไปหรือว่ามันเบาบางไปเนี่ยมันทําให้เรื่องของความเป็นอัตตาตัวตนอย่างเช่นว่าเราจะต้องถูกเราจะต้องดีหรือว่าเราจะต้องอะไรทำนองนี้มันมันเกี่ยวพันไม่ไม่คนละตัวกววันตอนนั้นมันอยู่ในจิตมันมันรักตัวโกวตามันเกี่ยวกับเรื่องม่างกายดูแลรักษาร่างกายจะไม่ค่อยกังวลกับมันแลจะไม่ต้องคอยหมันตรวจเลือดทุก ทุกสิบหนาทีว่าน้ําตาลขึ้นหรือยังลงหรือยังเจ้าก็ชาทานวิตามินสิคะทานวิตามินทาอะไรเนี่ย<น>ก็พอาะตัวโกรธตายใช่ไหมม่มันเป็ น, นกินเหมือนกินยากินอาหารเนี่ยตอนนั้นไม่นับนะอ่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับร่างกายคุณกินอาหารก็เป็นประโยชน์กับร่างกายไม่ใช่ไหมใช่แต่แตนั้นมันเป็นเป็นอะไรอ่ะพิเศษอ ก็เห็นเสียหายตรงไหนก็กินยาเม็ดเดียวมันจะยุ่งยากตรงไหนก็กินยอาหารเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไปกินพร้อมกันไปไม่ใช่กิเลสมันก็อยู่ที่เราอมันจะอยู่ที่อย่างนี้กกินกินข้าวเป็นกิเลกก็ได้ไม่เป็นกิเลกก็ได้อย่างี้ดีกว่าอาหารที่สั่งพิเศษมาเออแต่ถ้ากินด้วยเหตุผลไม่เป็นกิเลส ถ้ายานี่กินแล้วทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่จะเจ็บไข้ได้ป่ยวยก็ไม่เป็นกิเลสเพราะเรามีหน้าที่ต้องดูแลรักษาร่างกายตามาตธรรมะภาพของเราเนี่เราก็ต้องเวลาเราทั้งวันเราก็คิดนะถ้าเราไม่มีเงินไปซื้อวิตามินแล้วไปขโมยเงินเข้าไปซื้อวิตามินอย่างเงี้ยถึงเป็นกิเลสถ้าไม่มีไม่มีเงินซื้อวิตามินก็ไม่ลองซื้อมันกินไปตามมีตามเกิด แต่ถ้ามีคนเขาเอาวิตามินมาให้เรากินเยกินก็ได้ไม่กินก็ได้เราต้องพิจารณาว่าเราอยู่เพื่อกินอกินเพื่ออยู่ของเล็กเล็กเล็กน้อยน้อพอมันสะสมมันก็เป็นกีลิยอมันก็มาจบตรงที่ต้องรักตัวกลัวตายนั่นนะมีคำถามต่ังอ เป็คนไม่ชอบสวดมนต์โหนเคนไม่ชอบสวดมนต์นะคะแต่ว่าชอบร้องเพลงว่ะไม่ค่ะชอบนั่งสมาธิค่ะก็นั่งไปแ็่ไม่ว่าอะไรเลยค่ะมันบางคนก็จะบอกว่ามันผิดไม่ผิดไม่ผิดถ้าเรานั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องสวดที่ใค้สวดก็ยังนั่งสมาธิไม่ได้ยังยังเขียนหนังสือไม่ได้ก็ต้องไปกอไก่ขอไข่ก่อนก่อนที่เขาเขียนได้แล้วก็ไม่ต้องไปกอไก่ขอไข่ การส่วนนี้เป็นการฝึกสติให้จิตมีสติเพื่อเวลานั่งสมาธิจะได้นั่งได้ถ้าไม่มีสตินั่งแล้วมันอึดอัดจะนั่งไม่ได้เราเวลานั่งแบบเวลานั่งได้สักภากขาแล้วตัวมันจะโยกโยกยังไงไม่รู้ว่าเรานั่งแบบไหนนั่งแบบมีสติหรือเปล่า่ะนั่งมันก็นนวที่จะถามก็คือว่าการนั่งนะคะคือ คือแบบไหนก็ถูกต้องต้องมีพุโทโธอยู่ตลอดเวลาเรือมีหรือต้องมีอะไรกำกับใจไม่ให้นั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยไม่เรียกว่านั่งสมาธินั่งสมาธิต้องมีอะไรควบคุมใจอย่างใดอย่างหนึง่งผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดไม่ให้ไปปรุงแต่งเช่นนั่งแล้วดูลมหายใจเข้าออ ก, เ ข, ออกเข้าออกไปนี้ก็เรียกว่ามีสติหรือนั่งแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็มีสติหรือนั่งสวดมนต์ไปก็มีสติ ถ้าเราเพ่งจิตนี่คือเพ่งอะไรลนะ่ะก็คือมันเพ่งไอ้ดำดำฮึกอ๋อไม่ได้หรออันนั้นอันนั้นมันไม่ใช่เป็นที่เดี๋ยวไอ้ดำๆมันหายไปมันเน้นเปลี่ยนไปเดี่ยเราก็กลายเป็นนั่งดูจิตไปนั่งเฝ้าดูนั่งเหมือนดูโทรทัศน์ไปจิตมันจะไม่นิ่งก็ดูอยากจะดูก็ดูลมไปสิ นั่งดูลมไปหลับตาแล้วก็หายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกก็ให้รู้ไปอย่าไปเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องเดียวถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ไม่มีวันที่จะสงบไม่มีวันที่จะนิ่งได้เวลานั่งสมาธิต้องมีกาต้องมีสติกํากับใจ ควบคุมใจไม่ใช่ปล่อยให้นั่งแล้วนั่งจะดูอะไรก็ดูจะเพลินอะไรไปก็เพลินไปแต่คิดเรื่องอะไรก็ปล่อยมันคิดไปนี้ไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธิต้องมีสติกำกับใจให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแต่จะเรียกว่านั่งสมาธินั่งสตินั่งด้วยสติ ถานั่แล้วมันไม่อยู่มันไปชิดเรื่องนั้นขึ้นตรงนี้ก็นั่งไงก็ไม่ได้ผลไม่สงบผลที่เราต้องการคือความสงบมันจะได้อย่างอื่นมันจะได้ความฟุ้งซ่านในือบางทีมันจะได้อะไรมาหลอกเราว่าเห็นหนูน่นเห็นนี่เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นอะไรไปแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นเรื่องของจิตอปรุงแต่งหลอกเราเหมือนฉายหนังให้เราดูหลอกเราไปทั้งนั้น นั่งแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่มีความรู้สึกมีความสุขแต่อย่างได้นั่งสมาธิต้องการให้มีความสุขเพราะการนั่งจากความสุขจากจากสมาธิมันดีกว่าความสุขจากการได้ไดไปเที่ยวได้ได้เงินได้ทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านต้องได้ความสุขอย่างนั้นนั่งเพื่อได้ความสุขอันนี้ถ้ายังไม่ได้ความสุขอันนี้ก็สแสดงว่ายังไม่ได้สมาธิยังไม่มีสมาธิ ถ้ามีสมาธิแล้วมันจะมีความสุขมากมันจะไม่อยากได้อะไรอย่างอื่นมันอยากจะได้สมาธิอยากจะให้จิตสงบไปตลอดเวลาคำถามจากคุณพัทะลังค่ะการพิจารณาในความหมายของทางวิปัสสนาที่แท้จริงหมายถึงอะไรกันแน่ครับหมายถึงว่าต้องเห็นสิ่งที่เห็นหมาเป็นหมาเห็นแมวเป็นแมวเรียกว่าวิปัสสนาตอนนี้เราเห็นแมวเป็นหมากัน เห็นหมาเห็นป็นแมวกันเรียกว่าหลงเรียกความหลงทำไมถึงเรียกว่าเห็นแมวเป็นหมาก็เห็นว่าทุกข์เป็นสุขไงเลยหาวิ่งเข้าหาทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนเห็นงูเห่าเป็นปลาไหลก็รีบไปจับกันพอจับงูเห่าก็ตดนงูเห่ากัดนะซิได้ไหมต้องเห็นว่าปลาไหลเป็นปลาไหลงูเห่าเป็นกูเห่าถ้าเป็นปลาไหลก็วิ่งไปจับเลย เป็นงูเห่าก็ถอยเลยจึยงเรียกว่าวิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงตอนนี้เราเห็นกับตาลปัดอย่างพระบอกเวลาพระบวชใหม่บางทีไม่รู้จะเปล่ปัดด้านไหนเอาด้านนายหันออกไปด้านหน้นาเรากับตาลปัดอันนี้ก็เหมือนกันเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์เงินทองนี่แหละเป็นทุกข์แต่ญาติยอมเหม็นว่าเป็นสุขใช่ไหมอ <c oughs> อยากได้กันใช่ไหม แ้วพอไม่มีเงินใช้มันสุขแล้วทุกข์อ่ะถ้าไม่ใช้เงินมันจะทุกข์ไหมถ้าไม่มีเงินใช้ออย่าไปใช้เงินสัอย่างมันก็ไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองก็บอกโยมก็จะบอกว่าไม่มีเงินก็จะอยู่ได้ไงก็ไปบวชสิพระก็ไม่ก็ไม่มีเงินใช้ทำไมก็อยู่ได้ะเพราะก็เห็นว่าเงินมันทุกข์แต่ไปบวชกันจะได้ไม่ต้องใช้เงินกันเนี่ยเห็นว่าเห็นทุกข์กันสุข เราอยู่กันเนี่ยเรหาเงินหาทองกันแทบเป็นแทบตายเวลาหาก็ทุกข์ไหมเวลาหมดก็ทุกข์ไห ะ, ะเวลาไม่พอใช้ทุกข์ไหมแต่ยังว่าสุขอยู่ยังอยากได้อยู่ยเรียกว่าไม่มีปัญญา <c oughs> เรียกว่าไม่มีวิปัสสนา <c oughs> ไม่เห็นความจริง <c oughs> ตัวอย่างเข้าใจไหมชัดเจนไหมอย่าง เ, <c oughs> เห็นหมาเป็นแนวเนี่ยเห็นแบบนี้เห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเนี่ย ไอสุกไอสุรไรสุกก็เห็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยสุกก็คืออะไรนั่งสมาธิเนี่ยสุกจะตาย ก, ก็กล่าว่าเป็นทุกข์ <c oughs> นั่งแล้วโอ้โหอึดอัดทรมานจะเป็นจะตายให้ได้นั่นแหละอ <c oughs> นั่งเฉยๆได้สบายจะตายไหมถึงเวลาก็มีคนเอาข้าวมาให้กินอะไรเนี่ยมั <c oughs> นนั่งสมาธิแล้วสบายเนี่ยตอนเช้าออกไปบิณนาบาดอาหารมาเยอะแยะนี่นั่งเฉยๆอยู่มาเนี่ยมีข้าวของเต็มไปหมดเลย นั่งสมาธิแล้วสุกไหมสุกไม่นั่งกันเออกันก็ใจยังจบคำถามจากคุณซูซี่เมื่อวานท่านเทศว่าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะออกจากกองทุกข์สำหรับโยมคิดว่าเคยได้คณิกะสมาธิเมื่อตอนเด็กๆเพราะมันสุกมากประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วก็หายไป โยมก็เลยเชื่อมั่นว่าทางแห่งการเจริญสติสมาธิคือสิ่งที่ใช่แต่ปัญหาคือเวลาทุกข์มากเช่นหลังจากป่วยหนักโยมก็พยาาเดินจงกรมน่าสมาธิทีแต่เวลาทุกข์คลายก็ขี้เกียจปฏิบัติอีกแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดเกือบยีปีความเจริญในธรรมก็เลยเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนี้หลวงพ่อช่วยแนะนาให้โยมด้วยก็ค่ะก็โยมก็เห็นปัญหาแนละ้วโยมต้องบังคับตัวเองสิ ไม่บังคับตัวเองปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ก็เหมือนกับเรือเรือที่ไม่มีหางเสือปล่อยให้มันไหลไปตามกระแส น, น้ำถ้าเรามีหางเสือเราก็จะบังคับเรือให้ไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปได้เนี่ยเราต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ว่าต่อไปนี้จะต้องนั่งสมาธิก็กําหนดตารางไปเลยวันนี้มีเวลาว่างช่วงไหนนัดนัดอะไรเหมือนกับเรานัดกับหมอใช่ไหมเวลานัดกับหมอถึงเวลาเราไปหาหมอปา ถาไม่นัด ก, ก็ไม่ได้ไปใช่ไหมถ้า น, นัด ก, ก็ไปใช่ไหมออันนี้เราก็นัดนั่งสมาธิสิเวลานี้นั่งสมาธิเวลานีนนานา้นั่งสมาธิเวลานี้ว่างไม่ต้องทําอะไรนั่งสมาธิเขียนไว้เลยติดบ้ายไว้เลยที่บ้านเนี่ยเวลานี้เวลานั้นเขียนไปแล้วก็ทําตามที่เรานัดทําตามนัดไว้มันก็จะได้ทํากันถ้าปล่อยให้ไปตามอารมณ์พอถึงเวลาว่างดูหนังดีกว่าเวกินขนมดีกว่าเอ เวลาทุกถึงจะมาทํำทุกทีเวลาทุกข์ก็ไม่มีกําลังจะทํำแล้วนะเยันเราต้องกําหนดตารางของการปฏิบัติเราถึงจะได้เราต้องมีการนัดหมายตั้งเป้าหมายเมื่อเมื่อวานนีเทศในฟังแล้อธิษฐานไงคือการตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องไม่ล้มไม่ล้มต้องมีสัจจะนัดกันแล้วพอถึงเวลาก็หลบไหมือน <laughs> เราก็ต้องเจอกันเจอกันแล้วก็ต้องทำถึงเวลาต้องทำงานอะไรก็ทาไปลำบากยากเข็ญไงก็อดทนเอาเพราะงานมันไม่มันไม่มีอะไรสบายหรอกการทำงานแล้วเวลาหาเงินทำไมอดทนกันได้ใช่ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ทำได้เพราะมันรู้ว่าเวลาได้เงินมาแล้วมันจะได้เอาไปใช้ได้ก็ให้คิดว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเวลาจิตสงบนี้เรา ได้ความสุขมากต้องมองคิดถึงผลที่เราจะได้รับจากการกระทำแล้วมันจะทำให้เรามีกำลังใจมีกำลังใจที่จะตั้งอธิษฐานตั้งสัจจะมีกาลังใจที่จะทำความเพียรที่จะอดทนฟันฝ่นากับความทุกข์ยากลำบากต่างๆเพราะเวลาได้ผลแล้วแหมมันคุ้มค่าเหมือนได้เดินขึ้นเดินขึ้นยอดภูเขาเนี่เวลาไปเขาคิชกูนี่ พอขึ้นถนึงเขาแล้วแหมันมองไปไหนสวยมองได้ไกลไปดอยภูกระดึงเงี้ยหรือดอยอะไรอินทนนท์เนี่ยลูกเศรษฐหลวงหลวงปู่อะไรนะที่ท่านพาปฏิบัติวิเรียนขอของท่านต้องขึ้นดอยต้องขึ้นดอยนอินทนนท์กันต้องไปทุ่งดงไปขึ้นดอยนอินทนนท์จะได้ทําความเพียรจะได้มีขันติมีความอดทน คำถามจากคุณประเสริฐการมราคะเกิดขึ้นเยอะทำอย่างไรครับก็พิจารณาสุภาพบ่อยๆคิดถึงกระดูกโครงกระดูกเนี่ยเห็นหน้าตาสวยๆก็ฉีกหน้าตามันออกไปเนียมันก็เป็นหนังบางๆนี่หน้ากากฉีกมาออกมาแล้วมีอะไรอยู่ใต้หน้ากากเนี่ยนี่เห็นกะโหลกกันไหมเนี่ยไม่มีใครเห็นกะโหลกกันทุกคนมีกะโหลกกันทุกคนกลับมองไม่เห็นเห็นแต่หนังบางๆที่หุ้มกะโหลกนี่ ดูโครงกระดูกเนี่ยมีโครงกระดูกไหมแขนขาเนี่ยที่โครงเนี่ยมีกันทุกคนแล้วจะมองลําไส้ก็ได้ยาวเป็นขดเลยเนี่ยขดเต็มอยู่ในท้องเลยนะลำไส้น้อยลําไส้ใหญ่ตับไตปอดหัวใจมีอยู่ในร่างกายที่สวยๆนี่แหละทําไมไม่ดูกั น, กนอไปดูไว้ที่ไม่ไอ้ดูที่มองไอ้ดูที่สวยมันก็เลยเกิดการมาราคะขึ้นมา อไปดูไอ้ที่ไม่สวยการราคามันก็จะดับไปนั่นฮะหมันพิจารณาอสุภะดูส่วนที่ไม่สวยสุภะแปลว่าสวยอสุภะแปลว่าไม่สวยให้ดูส่วนที่ไม่สวยไม่ต้องดูสรางศพก็ได้ถ้าเรากลัวสรางศพไม่อยากจะดูดูไอ้ของที่เป็นเป็นที่มีอยู่ในตัวเราตอนนี้แหละทำให้ดูกันดูดูลำไส้ของเราดูปอดของเราดูหัวใจของเราดูปอดดูตับดูไต ดูกระโลกศีรษะดูโครงกระดูกดูสมองอยู่ในหัวนี่แหละท่านนึกภาพไม่ออกก็ไปเปิดหนังสือดูหนังสือที่นักศึกษาแพทย์ก็เรียน anatomy ตายวิภาคดูแล้วก็มาท่องมาจำไว้มานึกถึงมันอยู่เรื่อยๆตอไปเวลาเห็นใครมันจะเห็นหมดเนี่ยหนังนี้มันกันปัญญาไม่ได้ปิดกั้นปัญญาไม่ได้เมัน ถ้าเรานึกบ่อยๆมันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ความอยากในกามนี่หายไปที่มันเกิดเพราะเราไปนึกถึงสวยๆแหมจมูกสวยตาสวยคิ้วสวยลิ้นอะไรปากสวยไม่ดูว่ากะโหลกสวยบ้างฟันนี่ก็ยื่นมาจากกะโหลกไม่ใช่หรอ เนี่ยลองเคาะดูเนี่ยกกกเนี่ยแข็งแข็งขึ้นนลมองไม่เห็นกันก็เลยราต้องหลงไหลกันท่านบอกให้ดูว่าสุภะกันบ้างอย่าดูแต่สุภะดูสุภะก็ดูหนังเนี่ยดูหนังดูคิ้วดูตาดูจมูกดูปากแค่นี้ก็หลงไหลคลั่งไคลกันไปละพอดูเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็หายโครงกระดูก เห็นซีโครงไหมเห็นอะไรต่างๆเห็นลำไส้เนี่ยลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยกระเพาะของที่อยู่ในกระเพาะของที่อยู่ในลำไส้นี่น้าดูไหมอาหารใหม่อาหารเก่าเวลาขับถ่ายออกมานี่ยอยู่ในร่างกายที่สุภาษเนี่ยที่สวยเนี่ยที่งามเนี่ยมองไม่เห็นเงินต่อไป คำถามจากคุณชุติการค่ะถ้าสาวทิตย์เราถือศีลแปดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใส่ชุดขาวได้ไหมคะได้มันไม่ได้อยู่ที่ชุดชุดเพียงแต่เป็นเครื่องแบบแต่ถ้าใส่ชุดขาวไม่ถือศีลมันก็ไม่มีศีลอยู่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ชุดขาวหรือชุดเขียวหรอกเพียงแต่ว่าก็กวรจะแต่งกายแบบเรียบง่ายคือไม่ได้แต่งเพื่อให้สวยให้งาม แต่ไวเพื่อปกปิดร่างกายเท่านั้นเองจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าอยู่บ้านถ้าเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ใส่ชุดที่มันสบายสบายหนวมๆเวลานั่งสมาธิจะได้นั่งง่ายถ้าใส่กางเกงฟิตๆเดี๋ยวเวลาจะนั่งมันจะนั่งลําบากใส่เสื้อผ้าหลวมๆสบายแล้วก็ไม่ต้องให้มันฉุดฉาดให้มันวิจิตพิสดาร ไม่ใช่นางสมาธิใส่ชุดเทวดาใส่ชุดนางฟ้าเดี๋ยวเขางงว่ามันจะอะไรกันแน่น ย, ยาวความยาวความสุขของเทวดาความสุขของผมผมไม่ต้องการความความสวยงามผมต้องการความสงบต่อไปคาถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะ ระหว่างที่ฟังพระอาจารย์เทศควรภาวนาพุโทโธหรือดูลมหายใจควบคู่ไปด้วยหรือควรหลับตานั่งฟังเทศไปก็พอแล้วและระหว่างนั่งฟังสามารถพิจารณาคำสอนของท่านควบคู่ควบคู่ไปด้วยได้ไหมคะควรจะนั่งฟังแล้วพิจารณาได้ก็พิจารณาไปถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ฟังเสียงไปไม่ต้องดูลมไม่ต้องพุโทโธถ้าอยากจะดูลมพุโทโธก็หยุดปิดเทปไป อย่าไปฟังเทศสเพราะมันจะมันจะปนกันมันจะชนกันแต่ฟังแล้วพิจารณาได้ถ้าพิจารณาเกิดความเข้าใจก็จะได้ปัญญาถ้าพิจารณาไม่ไม่ได้ไม่เข้าใจก็จะได้ความสงบถ้าฟังเฉยๆฟังเสียงไม่ไปคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้ถ้าจะคิดต้องคิดเรื่องที่กำลังฟังอยู่เพียงอย่างเดียวถึงจะได้ปัญญาแล้วได้ความสงบด้วยถ้าได้ปัญญามันก็จะได้ความสงบด้วยจิตจะสงบ คำถามจากคุณพิทักษ์การเดินจงกรมที่ผ่านมาผมกําหนดก้าวขวาก้าวเท้าขวาแล้วภาวนาว่าพุทธก้าวเท้าซ้ายภาวนาว่าโทกรผมทําถูกไหมครับหรือควรจะเดินก้าวตามปกติของร่างกายแล้วภาวนาพุทธโทในใจต่อเนื่องดีครับก็ได้ทั้งสองอย่างข้อสําคัญอย่าให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แล้วกันคําถามจากคุณมนตรีเวลานั่งสมาธิเข้าถึงสมาธิลึกๆแล้ว แต่มีอุปสรรคยังคอยลบกวนอยู่อย่างนี้ควรทำอย่างไรครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก็ต้องสติพุทโธต่อไปถ้าใช้พุทโธก็พุทโธต่อไปถ้าดูลมหายใจก็ดูต่อไปอย่าเพิ่งหยุดคำถามจากคุณศิริศักดิ์ข้อที่หนึ่งค่ะเนื่องจากการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปหาหมอแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นทำให้จิตมีความกังวลว่าอาจจะไม่หายหรือทาให้กาลังใจเริ่มตก ไม่ทราบว่าจะมีวิธีการที่จะสร้างกำลังใจอย่างไรดีครับเพื่อให้ต่อสูอ้ก็อย่าไปคิดถึงมันช่างมันพุดโทพุดโทไปหยุดคิดถ้าจะคิดว่ามันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายเราไปบังคับมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันจะดีขึ้นก็มันก็จะดีขึ้นเองถ้ามันไม่ดีก็มันก็ไม่ดีเรามีหน้าที่รักษาก็รักษามันไปหาหมอที่ดีที่สุดหายาที่ดีที่สุดไปก็แล้วกันถ้า ทำก็ทำได้เท่านี้แต่ใจเราก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช้ก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีเหมอดีขนาดไหนยาดีขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ต้องตาย mm hmm. ไม่ตายวันนี้ไม่ตายคราวนี้ก็ตายคราวหน้า mm hmm. ยันเตรียมตัวตายไว้แล้วก็ใจก็จะสบายหายทุกข์ mm hmm. ถ้ายอมรับความตายได้มันก็จะหายทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันยังไม่ยอมตายมันยังรักตัวกลัวตายอยู่ ยังไม่เหน็นปัญญายังไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ยังคิดว่ามีร่างกายแล้วจะเป็นสุขแต่จริงร่างกายนี้เป็นทุกข์ไม่มีแล้วสบายกว่าไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาถ้ามีร่างกายไม่ว่าจะมีกี่ร่างมันก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาเสมอข้อที่สองค่ะการที่เราประยุกติในตัวตนของเราหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของเรา สิ่งนั้นก็จะทำให้เราเกิดทุกข์การนั่งสมาธิถ้าเรานําหลักการนี้มาพิจารณาสามารถที่จะปลดทุกข์ทางจิตออกไปได้ไหมครับถ้าเราปล่อยวางได้มันก็มันก็ปลดทุกข์ทางจิตได้เช่นสามีเราภรรยาเราคิดว่าไม่ได้เป็นของเราก็อยากจะไปนอนกับใครก็ปล่อยก็ไปนอนอเราก็ไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเราไปคิดของเราเราก็จะทุกข์เวลาที่ไปนอนกับคนอื่น การนั่งสมาธินั่งสั้นกับนานอย่างไหนจะมีความเหมาะสมครับถ้าหากสภาพร่างกายเจ็บป่วยอยู่ครับก็แล้วแต่ยังนั่งได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีน่างกายม่งอย่าไปกังวลกับมันมันจะตายเพราะนั่งสมาธิก็ให้มันตายไปเพราะเราจะได้ได้ในสิ่งที่ดีกว่าร่างกายผลที่ได้จากสมาธินี่มันมีประโยชน์กว่าร่างกายร่างกายมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเรามันมีแต่ทุกข์ ไม่มีมันสบายกว่างั้นไม่ต้องไปเสียดายร่างกายให้เสียดายสมาธิจะดีกว่าเพราะสมาธิจะให้ความสุขกับเราส่วนนั่งกายมันจะให้ความทุกข์กับเราคนยินดีให้มันตายเร็วๆถ้ามันอยากจะตายให้มันตายไปจะได้หมดหมดเวรหมดกรรมกันหมดภาระหน้าที่ต่อกันแต่อย่าไปฆ่าตัวตายเท่านั้นฆ้าตัวตายก็าบาปอีกไม่ว่าจะท่าแล้ว ถ้าคนอื่นแล้วฆ่าตัวเรามันก็เป็นการฆ่าเหมือนกันบาปแล้วก็จะทําให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่กลับมาฆ่าตัวตายใหม่จหเจอปัญหาเดิมอ่ปัญหาเดิมแก้ปัญหาแบบเดิมก็จะฆ่าตัวตายเลยเวลาเจอความทุกข์แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วทุกข์จะหายไปมันหายวันนี้แต่เดี๋ยวมันไปโผล่วันหน้า ไ้เกิดใหม่นะ้ะก็ไปเจอปัญหาเดิมอีกก็ อ, อย่าวนเวียนอยู่กับการข้า ต, ตัวตายไปเรื่อยๆนคนไม่สู้ชีวิตจะไม่ว่าก็ไ ม, ไม่รู้ไม่สู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฉันเคยพบคนในต่างประเทศเขาเขาไม่สู้อ่ะเขาเป็นคนใจน้อยมากอืาเปผู้มีความรู้นะเขาเดินมันเป็นมันเป็นคลิปนะอ่ะถ่ายไปเป็นคลิปนะ เขาเดินเขาเดินออกไปเลยเป็นหมอกเขาเดินออกไปตั้งใจแล้วก็ตบตบคลิปตายตาย ต, ตอนตายของคนคือว่าเขาไม่สู้เขาก็ถูกเขาเป็นคนดีนะแต่ว่าถูกถูกกระทำโดยพวกพวกไซคโคพาพวกที่แบบว่าจะแย่งจะจะไล่เขาออกจากที่ทางานเลยคือเขาถ้าเขาสู้นะ เขาก็ไม่ต้องไปฆ่าตัวตายอย่าง น, นี้มันต้องชีวิตต้องสู้แก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วว่ามาน้องหนูที่รู้จักกันนะคะเขาฆ่าตัวตายที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่นานมานี้นะคะ่ะหนูจะถามว่าที่เขาเป็นอย่างนะั้เพราะว่าเขาเคยทําเหตไมาในอดีตหรือเปล่าคะเพราะเขาเคยฆ่าตัวตายมาในอดีตเขาก็เลยติดนิสัยนี่มาอมพอเจอปัญหาแก้ไม่ตกก็ฆ่าตัวตาย เพราะทนอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ก็เลยหนีความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายแล้วเดี๋ยวก็พอไปเกิดใหม่ก็ไปเจอทุกข์แบบเก่าอีกก็จะฆ่าตัวตายอกพอไปเจอความทุกข์ที่แก้ไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายจะใช้วิธีนี้เป็นการแก้แก้ความทุกข์ไปเรื่อยๆมันหมายถึงว่ามันติดกับจิตล้วไปใช่ไหมคอ่ามันเป็นนิสัยอ่าอ่านข้อสองข้อคำ ถ, ถามจากคุณคมสัน อยากให้พระอาจารย์ให <aid> ้ทรมที่เหมาะในการใช้ชีว <please> ิตประจำวันดำรงชีวิตแก่ผู้ครองเรือนที่ยังไม่ต้องถึงกับบรรลุธรรมแต่ต้องการมีชีวิตในการทำงานมาหากินใช้ชีวิตแบบสุขทั้งโลกและทำผสมกันครับก็ให้มีความนักน้อยสันโดษอย่าโลภมากพอมีพอกินยินดีตามมีตามเกิดเราก็จะมีความสุขข้อสุดท้าย ต้องถามจากคุณธนาครกลับให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าสมาธิแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นฟังมายังสงสัยค่ะก็สงบแป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาไงเดี๋ยวเดียวมันขั้นแรกเวลาจิตสงบมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะรวมลงปุ๊บนิ่งสงบปป๊บแล้วก็ถอนออกมามันเป็นการดูหนังตัวอย่างมันจะให้เราเกิดความรู้สึกว่าในตัวเรานี่มีเขาดีๆอยู่ อยู่ในใจเราที่วิเศษกว่าขอ ง, งต่างๆที่เราหากันอยู่ในขณะนี้แล้วมันจะเป็นทําให้ตัวดึงดูดให้เราอยากจะมานั่งสมาธิมากขึ้นตอนต้นนั่งนั่งคณิกาก่อนแล้วต่อไปเราก็จะมาฝึกจิติแล้วนั่งบ่อยๆนั่งมากๆแล้วมันก็จะนิ่งนานขึ้นไปนิ่งนานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็